ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการบัดนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านี่ใช่ว่าเพิ่งมี การนั่งขัดสมาธินี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาริเริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวานาใต้ลมม้มไมโพที่คนเรานับถือตน้นไมโพคือว่าต้นโพนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวานาแต่การนั่งข้างนั้นพระองค์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 ข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไมโพนั่นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระไทยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ปรับับรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้น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 พระองค์ก็ไกรกรองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกรกรองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่ยมันกลัวตายด้วยเนี่ยมันจะไม่ให้ตายาต้องเอาตายนี่แหละสู้มันการนั่งขัดสมา็ิพระองค์ยอมตายล่ละ ถ้าไม่ได้ตัดสรลก็พระองค์จะไม่ไปบินถบาทไม่เสวยอาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายในี้เมื่อเอาตายสู้มันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธ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 ความเน็ดเหนืยเมื่อหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่าอย่างหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปแล้แค่ตายทั้งนั้นแหละของมันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทําไมพระองค์ไม่ต้องกลัวจิตใจของพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมัน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 สติความระลึกใดทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านระวังจิตใจไม่ให้คิดแส้สายไปหาอารมณ์เรื่องราวใดๆ ไ, ไม่เอาเอาจิตใจมาจดจ่อที่ปลายจมูกหรือที่ลมเข้าลมออกเอาอันนี้เป็นอุบายภาวนา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 เอากายนี่เป็นที่เป็นภาตชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในเป็นผู้ภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกระองกำหนดอย่างนั้นเรื่อยไปย้อนจิตใจไม่พลั้งเผลอเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม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 พระองก็จับจุดนี้ว่าตายลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตของคนเรานะั้นมันโยแค่ตายนี่แหละที่มาเกิดมาตายก็เพราะว่าจิตกิเลสอันนี้แหละมันทาให้มาเกิดมาตายเมื่อตายไปก็เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัสถานทรัพยินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ่งไว้แค่นั้นแม่ตัวเองพะตายลงไปเท่านั้นเนี่ยจะมาจัดการศพตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ่ง สุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดเรียกว่ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดจเจริญให้ถึงถึงคาว่ากรรมฐานคือความตายจิตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริง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 ถ้าจิตใจของผู้ภาวนาไก่กรองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนมมความสลดสังเวนในจิตว่าเออความตายนี่มันม่งมีใครข้ามค้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพยายามมหากัะตย์ จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็าตามเมื่อมาลานะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอมความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาว น, นาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผิน จิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังคานอยู่ในใจนะทานจิตหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะยังอยู่อยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั่นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพยามาจุลาคือความตายก็คงได้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 ตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุท ธ, ธเจ้าของเรานะ่ประสูติได้เจ็ดวันเถอะก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุท ธ, ธเจ้าตัดสูลเลยตายเช่กอน แต่พระเจ้าสุโทโธธนะพุทธบิดาอายุยืนจนแก่ชราจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลครั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอราหาันตาในหอปราสาท พระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทำชาปนากิจด้วยพระองค์เองกับพระปยุรยาตเพราะพระเจ้าสุทโธธนะเมตใจเข้มแข็งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราศาสลาสมนเกียู่ในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือ ท่านภาวนาว่าพระพุทธเจ้าท่านสาเร็จท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอนาปารลมหายใจคนสมัยนั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่ไม่กระด้างกระเดืองพอพระพุทธเจ้าสอนยังใดก็ตั้งใจทาตามปฏิบัติตาม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 จนเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนนาคาถึงขั้นเป็นพระอาราหาันตาก็มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทําจริงๆเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่า โพลิสละคันะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมีหกประการมีสีซ่อออกไปจากพระวรกายข้างละวาระวา ไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมีหกประการนั้นก็สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึ่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้แล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีลห้าศีลแป ในการเจริญภาว น, นาปฏิบัติบูบชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันกลุ่มมั่นคงเต็มร้อยเปอร์เซนกากว่ า, วาคือศรัทธาไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้นแต่คนสมัยนี้นั้นมันไม่เห็น มันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริงทีงนี้เจตใจเขาก็โลกขึ้นละมั้ยลกขึ้นทำความดีลกขึ้นไหวพระสวดมนต์ไม่ท้อถอยโลกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธิเพชรนี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ ก็โลภร่างกายแข้งขาตัวของเราสดแท้แต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทั้งนั้นแต่จิตนั่นเรามันกิเลสในจิตมันไม่ยอมไม่ยอมให้นั่งถ้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลาจากกิเลสแล้วกิเลสมันกิเลสทันว่าเป็นมารมารก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทําลาย เวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดมาเบียดเบียนมารมาห้ามห้ามไมา่ให้ทำนี่และถ้าเรารู้กลมมารยาสาสไทยของมารกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างระพุตเจ้าวท่านไม่กลัว ทำไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้รู้ว่ายังไงรู้มันก็แค่ตายกันมันไม่เลยตายกันว่าเจ็บด้วยการนั่งขับสมาธเพชรมันเพชรมันก็ไม่เลยตายเจ็บมากที่สุดมันก็ตายนั่นแหละพอเมื่อมันยังไม่ตายก็นั่งมันไปภาวนาไปสาวกทั้งหลาย เวลามันท้อถอยมาก็ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นตําตาอยู่ทุกวันว่าพระองค์ทําไมไม่ท้อถอยทั้งที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคนโลกเท่าพยามาหากษัตริย์ไม่มีการงานอันยากโยมาในความสุขความสะดวก ท่านยังทำได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปได้ ท, ท, ทั้งๆที่เมแล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้เมจนเหลือเฟือท่านยังละได้วางได้คนเราคือวัดเป็นที่จิตนะจิตมันยังไม่ขอ คือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจาจรณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุก์การเกิดมาแล้วเรื่องทุกมันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกมันรู้จักกิเลสในใจมนุษย์คนเรามันรู้จักแต่จะเพิ่มทุกหาทางเพิ่มทุกขึข้นมา ก็ดูแต่ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้วแต่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาบเข้ามามีลูกเต่าสรารเล่นสามีภรรยาเลือกสวนไล่น่าข้าราชการแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรรทุกใหญ่ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเอง พาการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลสเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนากรรมนตมรณะภัยคือความตายให้มันแจ้งในจิตในใจแล้วแม้เราจะไม่ละมันก็จำละคิดดูให้ดี เมื่อความแตกความตายมาถึงเข้าเมื่อถึงเวลาแล้วมันเป็นไปได้เหลืออย่างว่าเวลาตายบางคนเกิดอุปสรระบยเหตุด้วยรถ ด, ด้วยยานพาหนะที่ตัวพานาไปมาเป็นเหตุทั้งๆที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไป ห้ามไม่ได้การไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนาแล้ววัฏฏมถฏภาวนาวิปัสนาให้มันแจ้งถ้ามันแจ้งในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกได้เมื่อเห็นแจ้งในจิตว่ามันไม่เที่ยงจริงๆ รูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลเจตมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกเจตมันก็วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจก็ว่าได้เจตมันรู้ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์้าอายตนะหกอายตนะ1ิบสองูยอย่างนี้แล้วมัน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 แล้วก็มัดจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทดใดครมันพ้นทุกเร็วต่ผมเนี่ยอยากจะให้มันพ้นทุกเร็วหาทางรัดกว่านี้ได้หรือเนี่คก็ว่าเย็ดใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียร น, น้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากันมาเพลาอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากันมาเพลา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 เวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆในน้อยบนกลัวเพื่อจิตมันกลัวจิตมันท่อแท่อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็นจิตไม่กลา้าถ้าจิตมันลกขึ้นทมันกล้าหาญเผชิญหน้าต่อกีเล็กไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคง ถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะภาวนาอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายตายเมื่อใดก็จบไปเมื่อนะั้นถ้ายังไม่ตายก็ภาวนามันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ทาถ้าทาไม่ทอถอยมันต้องสำเร็จวันใดวันหนึ่งจนได้ถ้าใจมันกล้าขึ้นมาอย่างนี้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 เด็ดใจมันไม่กลัวล่ะทำได้ปฏิบัติได้เมื่อทำไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวกระลิ้วฉลาดสามารถอาจหานทีนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินพิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่ ว, วถึงรอบคอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเอง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 เจตใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนภาวนาได้ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงแล้วนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาเยือนแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยู่ก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ภาวนาได้ เมื่อใจตั้งได้แหละอะไรมันได้หมด แ, ลแหละแค่นั้นความตั้งใจให้มัน่นในตัวในใจของเหล่านี้จึงเป็นข้อแหละที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องกิเลสในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้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 ไม่มีใครแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โปรดอยู่ทุกวันเวลาแต่ว่าจิตเราไม่สงบระงับก็ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมท่านสอนเพราะจิตเราประมาทถ้าลองดูใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิอวนาห่างไกลจากลูกเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมณ์ จิตใจมันมันเพียนขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแล้วพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียนความมันความขยันในใ จ, จิตใจของผู้ปฏิบัติพรโยคาวาจรเจ้าทั้งร้ายก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้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 อย่างทุกวันนี้ให้าพากันตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโ ธ, ทโธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันจบสิ้นไปไม่ได้ อยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเล่งภาวนาถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแหลเจ็ดมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บวหัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันตันป่วนหมดอะนั้นเวลาอยู่ดีสบายให้ภากันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป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 ใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูบชาภาวนาและอิเลสเนและเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูบชาภาวนานี้ขึ้นโยกับการกระทาของแต่และบุคคลจะฟังทำเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่ เอาไปประกอบกระทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องเอาไปประกอบกระทาจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิแลความโกรธได้จริงละกิแลความโลภโลภะได้จริงละกิแลความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นหละความเข้าใจในธรรม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 เมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระถำอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมายังมีพุทธภาสิตข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัดไว้ว่า อะไรไม่เหลือความเพียรท่านว่าอย่างนั้นวิริยนะทุกขมัดเจติตตบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทำปัดไม่ทอดทิ้งผลที่สุดพ้นทุกได้ท่านว่าอย่างนั้น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 สัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโคมินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะะกิวาธนาสิริสนิจจวุธาปจจายิโนยัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังปารา ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิจองระลึกถึงพระพุทธเจา้าในวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ลมไมโ่โผ เจตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงไม่ยึดมัน่นเธอมั่นในล่างในกายพระองค์นึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมานกิเลสคำว่ามานกิเลส หมายถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ ก, กิเลสความหลงกิเลสลาคะโทสักโมหะกิเลสพันหตันหาร้อยแหมายถึงกิเลสทั้งหมดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่พระองค์ตั้งใจว่าคืนวันนัด จะต้องตัดให้ขาดแลณเรานี่แหละพาให้พระองค์หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโย่ข้องโย่ในกา ม, มาพบพบของกามลูกประพบอาลูกปพบสามพบ สามพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ท่านไม่ยอมมาเกิดมาตายอีกต่อไปจะเอาให้สิ้นสุดยุติลงไปเสียทีเพราะการบำเพ็ญบรารมีมาสีอสงไขยแสนมหากับนนี้เป็นการเพียงพอแล้ว พอที่จะได้ตัดสโลเป็นกระพุติเจ้าให้เสร็จสิ้นไปเสียทีเมื่อได้ตัดสรลแลพระองค์ไม่ได้หมายเพียงแค่เอาพระองค์เดียวไปสู่นิพพานหรือว่าพ้นทุกข์พระองค์ม่งหวังหลือขนสัตว์ ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกคมมโลกสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บาลีแก่กล้าพอที่จะปรดจะสอนได้พระองค์จะสอนจะตัดจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝากนโน้นคือ น, นิพพาน แล้วจะไม่ได้มาเกิดมาตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนไม่ได้วุ่นวายกับกิเลสตัณหาอย่างธรรมดาโลกนี้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ในความมุ่งหมายใหญ่ยิ่งเช่นนั้นจิตใจของพระองค์ตั้งใจแน่วแน่มั่นคง ในคืนวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาไม่คิดที่จะนอนและมีสติเป็นมหาสติคอยระวังจิตของพระองค์ไม่ให้หลงติดโยแค่ความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆพระองค์ตั้งอกตั้งใจ เพื่อตับกิเลสราคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเดือนหกเป็นนั่นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ เ, เสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือร่งหัก ข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงสละความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเล้าเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญร้อยแปดพันประการออกไปให้หมดสิ้นแล้วว่าคืนวันนั้นพระองค์เอาจริงไม่ได้อ่อนข้อให้กิเลส กิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเคลืนวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียถีถ้าไม่ได้ตัดสะรูก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายถ้าองค์ว่าอย่างนั้น แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเคยมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในทีนะ่นั้นความเจียงมันไม่ตายนะกีเลกมันหลอกลวงโดคนเราเมตตาลูกเมตตากับลูกมันก็หลอกลวง ให้ล้มหลองมัวเมาอยู่ในรูกตนรูกบุคคลผู้อื่นรูกวัตถุเข่าของทรัพย์สินเงินทองรูกหยาดรูกอย่างกลางโูกละเอียดมันเก็บมาหลอกลวงจนจิตใจมนันลดและเทวนดาอิม่มพรมไม่ว่าอยู่ที่ไหน ยิแลดมานสังคาลมานเหล่านี้มันจับแอลมัดไว้ในโลกนี้มันจับแอลทั่งไว้ไปไหนไม่พน้นนั่งเฝ้าโลกนั่งเฝ้าบ้านนั่งเฝ้าแผ่นดินอยู่ในโลกในวัฏสงสารนานจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังล่มหลงมัวเมาอยู่ เธอไม่ภาวานาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละธรรมดากิเลสกิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่เมใครสามารถจะเอาชนะได้มีสองพุทธคือสัมมาสัมพุทธเหมือนกับพุทธเจ้าของเรานี่หนึ่ง จะเอาชนะกิเลสมารสังขารละมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเด็ดขาดได้ตัดสู้เป็นฟ้พุทธเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายทรงไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์เหละเทว ด, ดาอินทร์มทั้งหลายแหล่สัตว์โลกที่มีอินทรีย์บาลามีแก่กล้า พระองค์โม่งใหญ่อย่างนั้นไม่ค่แค่พระองค์เองพระองค์จึงตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่มัน่นคงไม่กลัวเนดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวเป็นกลัวตายเกิดมาแล้วต้องตายใครจะไปหลบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้มาให้ตายไม่ได้ ไม่ตายมาจากท้องแม่ก็มาตายนอกท้องแม่ไม่ตายเวลาเป็นทาลกอยู่ในผ้าอ้อมก็มาตายเวลาใหญ่ขึ้นมาหรือตายเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแกว่วัยชรายังเหลืออยู่ก็ต้องตายเวลาสุดท้ายชีวิต พระองค์ไม่กลัวแล้วพระองค์มองเห็นแล้วว่ายังไงเสียความตายไม่มีใครพ้นไปได้พระองค์เองก็พ้นไปไม่ได้เดดามานดาผู้บังเกิดเก้าของพระองค์ก็ยิ่งแสดงให้พระองค์รู้ว่าพุทธมานดาแม่ ประโสติคพระองค์มาเพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็สวรรคตตายไปแต่ท่านไปเกิดอยู่โน้นดุสิตเทวโลกเพราะความปรารถนายังไม่สิ้นสุดพุทธมารดาแม่ เมความปรารถนาบำเพ็ญทานหลักษาสนลภาวนามากเมความมุ่งมากปรารถนาขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทั้งห้าพระองค์เมพระพุทธเจ้าก้โกสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคามนโนพระพุทธเจ้ากัปสโปพระพุทธเจ้าโกตมโมพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตโยโพติสัตพุทธมารดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้กระโจนผัดสัมมาสัมพุทธเจ้าในในโลกกาย จึงจะเข้าโซนิพานอันนี้แล้วเป็นความตั้งใจของพุทธมารดานางสิลิมหามายาเมื่อพระองค์ได้ปรัสรุแล้วจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพพระเจ้าทางหลาย ในเทวโลกในคมมาโลกพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาโน่นเลยตลอดไตามาสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาที่ชาวโลกชาวเหล่าว่าตักบาทเทโวตักบาทเทวดาออกพรรษา พระองค์ก็เสด็จลงมาพระองค์เสด็จไปไม่ต้องเกี่ยวด้วยยวดยานพาหานะใดๆทางนั้นด้วยอำนาจบุญบารามีที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายเวลาจะไปไหนมาไหนเรียวรวดเร็วเหมือนกังหายมือและความมือก็ถึงจุดหมายแล้ว พระ อ, องไปจำพรรษาโปรดเทวดาตัดพระธรรมเทศนาแสดงพระอภิธรรมอีดกโปรดเทวดาเหลือนั่นก็โปรดสอนมนุษย์โย่ในโลกมนุษย์ เมื่อพระองค์ยังสังฆมณฑนสาวกทั้งคฤเหัดและบรรปะชิตได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานแล้วพระองค์ก็สเสด็จดับขันเข้าสู่นหร่านในเมื่ออายุพรรษาของสระองค์ ได้แปดสิบบริบูรณ์ปีแปดสิบปีนั้นก็เหว่างเดือนหกเพนเดือนหกเพนจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประสูติเกิดนาจากท้องแม่ก็ประสูติในป่าเรียกว่า สวนลมพีนีป่าไม้สวนลมพีนีเป็นสวนไม้ละว่างประเทศทีแรกพุทธมารดาตั้งใจว่าจะเสด็จไป้อดทิมบ้านพ่อแม่พ่อมาถึงทีนั้นก็เป็นเหตุให้ประโซดเสกก่อนเพราะว่า พระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้เกิดในป่าผู้ออกจากบ้านจากเมืองผู้ออกจากโลกพอมาถึงสถานที่นั้นก็ประสูติที่นั้นแล้วก็กลับกรุงกระบินหลับัสอันนี้ก็สำคัญอย่างหนึ่ง ธรรมดาผู้ดีวิเศษผู้จะรับละกิเลสตัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้จะปลอดโลกผู้จะทำงานใหญ่ย่อมมีพิเศษเมื่อพระองค์สเสด็จออกบรรญชาได้หกพันสา ก็มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าใต้ลมไม่โผก็เป็นเดือนหกเป็นโปรดเวนัยศาสตร์โย่สี่สิบห้าปีไม่ทอดทุละทั้งกลางวันกลางคืนอายุแปดสิบบริบูรณ์ก็สเสด็จ ด, ดับขันเข้าโสนิพานระหว่างไม่ลังทั้งคู่ ก็เป็นสวนอีกเหมือนกันสวนไมล์ลากรงกุสินาราเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคนั้นคู่คนก็ไม่มากเป็นเมืองน้อยแต่ถ้าทบทวนขึ้นไปในอดีตชาติแล้วที่เมืองกุสินารานี่เป็นเมืองใหญ่โตมโหลาน มีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิตาทีล ะ, สะเสด็จมาครองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นารือพานแล้วพระสาวกองค์อรหันตาทินาตกก็ช่วยจิตกา ร, รศาสนามาโดยลำดับ จนสิ้นอายุไขทุกท่านทุกองมาโดยลำดับกว่าจะมาถึงพวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำป่าปล่องนี้กินเวลาหรือว่าหมดไปสองพันปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดปีนี่แล้วเราทุกคนก็พึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ให้พักง้นทำความปีติยินดีคือไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจ้าเท่าไรนักสำคัญพระธรรมพระอีในคำสอนของ